ชีวิตที่ดีเนะี่ยคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์สงบเย็นเพราะทำจิตนะส่วนเป็นประโยชน์ก็เพราะทำกิจนะนะสาระหรื อ, น, น, อนัยยะอันเดียวกันอันเะดียวกันถ้าเราทำจิตดีเราก็สงบเย็นไม่ว่าสิ่งแวดร้อมเนะี่ยมันจะวุ่นวายแค่ไหนหรือแม้ว่าสุขภาพจะดีหรือไม่ใจก็สงบเย็น แล้ถ้าเราทํากิิจถูกต้องนะมันก็เกิดประโยชน์นะต่อส่วนรวมทั้งสองประการนี้จะว่าไปก็เป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้านะอย่างที่เราสวดมาสักครู่เนี่ยถ้าจับความได้เพราะว่าองค์คุณหรือที่เราพุทธคุณของพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อย่อแล้วเนี่ยเหลือแค่สองนีก็คือปัญญาและกรุณาปัญญานี่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 เป็นกรุณาที่มุ่งจะทำประโยชน์เพื่อสรัรพสัตไม่ได้มีประโยชน์ตนหลงเหลือแม้แต่น้อยนะนอกจากการายังชีพให้อยู่ได้เป็นปกติสุขเพื่อได้ทำกิจทำการงานต่างๆ่างพเจ้าเนี่ยเมื่อพระองค์ได้บรรลุธรรมนะแล้วก็เสด็จไปโปรดสัตนะสั่งสอนอเวทนัยสัต์ทั้งหลายแล้วเนี่ย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 เพราะว่าป่านี่ในความรู้สึก ข, ของแกเนี่ยมันน่ากลัวมันเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายแล้วก็เลยสนทนากันว่า อ, อยู่ป่ายอย่างไรเนี่ยมันจึงจะมีประโยชน์หรืออยู่ป่าไปทำไมพระองค์ก็เล่าว่าเนี่ยสมัยที่พระองค์เนี่ยนะไปบําเพ็ญเพียรในป่าเนี่ยคือตั้งแต่สมัยนะทีอ่ออกบวชเนี่ย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 กัวตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยนะจนหายกลัวเสร็จแล้วพระองค์ก็กล่าวต่อไปว่าเนี่ยชานุศรนี้เนี่ยคงจะคิดว่าที่จนทุวันนี้เนี่ยพระองค์ก็ยังอยู่ป่านะประทับอยู่ในป่าเนี่ยคงพระคิดว่าพระองค์นี้ยังไม่ได้ปลอดจากความโลภความกลัวความหลงนะจึงมาอยู่ป่าอันสงบสงัดนะคล้ายๆว่าอยู่ป่าเพื่อมาฝึกตนนั่นแหละ ชาวโศนี่อาจจะเข้าใจอย่างนั้นแต่พระองค์ก็ที่บายพระองค์เนี่ยนะพ้นทุกข์แล้วนะราคาโทสะโมหะนี่ไม่อาจจะครอบงําได้แต่ที่อยู่ป่าก็เพราะว่าและที่อยู่ป่าและตั้งใจจะอยู่ประทับอยู่ในป่าตลอดชีวิตก็เพราะว่าข้อแรกเนี่ยนะทรงประทับในป่าที่สงบสงัดแล้วเนี่ยมันเป็นความสุขในปัจจุบัน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 จะใช้ประโยชน์จากป่าในลักษณะอื่นเนะช่นเก็บผ ล, ลไม้เก็บยาสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์เราไม่มีเทคโนโลยีมากที่จะทําลายป่าได้มีแค่ขวานมีแค่เลื่อยเนี่ยสมัยก่อนป่านี่มันก็เป็นร้อยๆล้านไร่เนี่ยทายัางไงก็ไม่สามารถทําให้ป่าหดหายได้มากแต่เดี๋ยวนี้คนเรามีความสามารถในการทําลายป่าได้สูงมากป่า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 สัมมนาที่ประเทศนอร์เวย์ผู้จัดสัมมนาเนี่ยคือรัฐบาลนอร์เวย์นะโดยกระทรวงภูมิอากาศและสิ่งแวดลอนะ้อมนะก็มีกระทรวงนี้เลยนะทั้งที่นอร์เวย์เป็นประเทศเล็กเนี่ยคน5ล้านคนแต่เขารู้สึกว่าเรื่องภูมิอากาศโลกเป็นเรื่องสําคัญนะจะต้องมีกระทรวงที่ทําหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงนะ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 หรือเลนฟอรเรสเนี่ยป่าฝนตอนนี้มันกำลังถูกคุกคามมากนะปีหนึ่งเนี่ยหดหายไปพื้นที่มหาศาลนะัเท่ากับประเทศอสทศอสเตรียประเทศออสเตรียมันก็ใหญ่นะหายไปทุกปีทุกปีนะพื้นที่นะพื้นที่ปา่าขนาดเท่าออสเตรียหายไปทุกปีทุกปีเพราะการทํำลายป่าเพื่อทําพื้นที่เกษตรเพื่อปลูกธั ญ, ญพืชเช่นข้าวโพดนะหรือว่าถั่วเหลือง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 เคยได้ยินนะคนเท่าคนแก่หรือว่าชนพื้นเมืองบอกว่ามีป่า ก, ก็มีฝนเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันจริงหรือเปล่านะจนแล้วเขาศึกษาเนี่ยศึกษามาเป็น10ปีนะแล้วก็ทั้งภาคพื้นดินแล้วก็บนฟ้าเนี่ยใช้เครื่องบินแล้วก็เขาก็พบในที่สุดว่าสิ่งที่ผูก้กรรมานานว่าปา่ามีป่าทําให้มีฝนเนี่ยนะมันจริงแต่ก่อนก็พูดแต่ไม่มีหลักฐานก็พูดแต่เพียงว่าความชื้น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 เขาเรียกว่าฝนมหาศัจรรนร์นะ p i x i Dust นะฝุดนมหาศจรรนร์มันทำให้ฝนตกมาเรื่อยๆนะในป่าอเมซอนแล้วก็ในป่าทั้งหลายและที่น่าทึ่งอย่างหนึ่งคือเขาพบว่าป่านี่นะมันทำให้เกิดแม่น้ำนะไม่ใช่แม่น้ำบนดินอย่างเดียวนะมันมีแม่น้ำบนฟ้าด้วยเรีว่าแม่น้ำลอยฟ้า Flying River ขอวิจัยจนพบ ว, ว่าเนี่ยมันจะมีละอองน้ําละจับร อ, องน้ำที่เป็นสายเลยนะอยู่เหนือป่าแล้วก็เคลื่อนไปตามที่ต่างๆที่ทําให้เกิดความชุ่มชื้น น, น้ํานี่ละอองน้ํานี่มันหนามากนะจงทั้งเขาเรียกเป็นแม่น้ําได้ที่มันอยู่บนฟ้านะมีป่าเนี่ยมันทำให้เกิดความชุ่มชื้นทั้งเกิดฝนในในแนวดิ่งแล้วกเกิดเกิดความชุ่มชื้นในแนวราบ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 คิกันถึงขนาดนั้นนะแต่วิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือการรักษาป่าและการปลูกป่าซึ่งมันจะเป็นการช่วยโลกได้มากการอนุรักษ์ป่าเนี่ยนะหรือการฟื้นฟูป่าเนี่ยอย่างที่บอกไว้แล้วนะว่ามันเป็นหน้าที่ของชาวโลกและดยพ้องชาวพุทธนะเพราะว่าชาวพุทธนี่เราเป็นหนี้บุญคุณป่ามากมีป่าเนี่ยนะ จึงมีพุทธศาสนาหรือพุทธศาสนาจึงย่างยืนตกทอดระจนถึงเราทุกวันนี้ได้พระพุทธเจ้าเนี่ยประสูตก็ใต้ต้นไม้ตัดสรู้เนี่ยก็ใต้ต้นไม้ท่ามกลางธรรมชาติที่ลมลื่นตอนที่พูุทธเจ้าเนี่ยประทับอยู่ใต้ต้นโพเนี่ยเพื่อจะบำเพ็ญเพียรจนทั้งตัดสรู้ในในวันวิสาขาบูชาเนี่ยาข้ามเดือนหเนี่ย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 นะมีโครจรคามและพระองค์ก็ตัสว่าเนี่ยสถานที่นี้เป็นที่รมณีหนอเหมาะกับการบําเพ็ญเพียรและพระองค์ก็เลยปร่งใจว่าเนี่ยก็จะขอทําความเพียรตรงนี้แหละแล้วก็ประทับใต้ต้นโพแล้วก็บรรลุ ธ, ธรรมในคืนนั้นเลยก่อนสว่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการบรรลุธรรมพุทจาเนี่ยธรรมชาติความร่มรื่นสถานที่รมณีเนี่ยนะจึงมีความสําคัญ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 กำจัดอวิชชาให้หมดไปเพราะนั้นเนี่ยนะป่านี่มันมีประโยชน์นะทั้งกับในกับร่างกายของเรานะน้ำอาหารอากาศแล้วก็มีประโยชน์ต่อจิตใจโดยเฉพาะชาวพุทธนะซึ่งได้ประโยชน์จากป่าโดยอ้อมแล้วก็โดยตรงนะโดยอ้อมก็เช่นที่ได้รับรู้ธรรมะจากพุทธเจ้านามาใช้ในการดำเนินชีวิตหรือว่าได้รับฟังธรรมะจากพระสงฆ์สา ว, วกตั้งแต่อดีต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 เวลาเราคิดแอฟริกาเราก็นึกถึงทะเลทรายหรือไม่ก็ทุ่งหญ้าสวรรค์ น, นาแต่ที่จริงมีป่าฝนที่ใหญ่มากเลยนะอยู่ในคองโกเนี่ยอันดับสองรองจากอเมซอ น, นอิโนโดนีเซียนเนี่ยซึ่งมีป่าฝนเยอะนะก็ยังถือว่าเล็กน้อยนะเมื่อเทียบกับคองโกพม่าเนี่ยก็มีป่าเยอะนะแต่ก็ยังเล็กน้อยนะ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 นัああかか่นล่ละชานี้ก็พุทธทนี้อ่า